นะส่วนผู้เป็นญาณจริตหรือว่าผู้ที่จริตมีปัญญาก็มรนัสิการความไม่เที่ยงไนอันะนะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็บอกหรือว่าพวกที่เป็น อบอกอาการที่เป็นทุกข์ว่าเนี่ยเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้อย่างไรพรงก็บอกเนี่ยนะว่าชาติชรา ม, มรณาโศกาปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตเหล่าใดเหล่าใดเป็นอย่างไรก็บอกแนะนําเปิดเผยหรือว่าพวกที่เป็น ญาณจริตก็บอกความเป็นอนัตตาว่าะนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาและเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดการเจริญวิปัสนาเครื่องหมายเหล่าใดที่ก่อให้เกิดการเจริญปัญญาพระองค์ก็แนะนำํำพันคําสอนของพระองค์เนี่ยสอนบอกสอนตามจริตราคะเจริตควรจะสอนอะไรโทสะจริตควรจะสอนอะไรโมหะจริตควรจะสอนอะไรวิตกจริตควรจะสอนอะไรศรัทธาจริตควรจะสอนอะไรญาณจริษ ควรจะสอนอะไรควรจะให้โอวาดโดยย่อหรือโดยพิสดารหรือทั้งยอ่อทั้งพิสดารหรือโอวาดปานกลางควรจะให้โอวาดตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำเวลาไหนเนี่ยนะสถานที่เหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะตามจริตอัธยาศัยความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาตรวจตรารอบรู้ในอาการของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลา คนที่ยืนอยู่บนภูเขาหินหรือสมัยนี้ก็ขึ้น น, นอนแหละขึ้นไปอยู่บนยอดตึกเลยแหละเห็นหมู่ชนหรือว่าเห็นตึกโดยรอบชั้นใดข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาผู้มีดวงตาโดยรอบขอพระองค์เสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันสําเร็จด้วยธรรมข้าแต่พระองค์ผู้ปราศจากความโศกพระองค์ทรงเห็นหมู่ชน ที่อาเกียนไปด้วยความโศกผู้ที่มีชาติชราครอบงําเปรียบเหมือนฉันนั้นอันนี้เป็นคําของเท้ามหาพรหมที่มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาสําเร็จแล้วด้วยปัญญาคือสมันตะจกักโศกพระองค์งขึ้นสู่ธรรมะอันสําเร็จด้วยปัญญาพระองค์งนี้ปราศจากโรคปราศจากโศกปราศจากภัยทั้งปวงแล้วพระองค์งให้ทรงดูเธอหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยกำลังเกลือกกลั้วอาเกียนอันนะ อากูลปติกูลปะปนอยู่กับชาติชราและมรณะเพราะอาศัยความการุณาอาศัยความอนุเคราะห์สงเคราะห์เข้าด้วยเธอเนี่ยเนื่องจากพระองค์ไม่มีพุทธจักสุสำรวจตรวจตราว่ามีอุปนิสัยอัธยาศัยนิสัยพอที่จะบรรลุมรรคผลเป็นต้นได้ไหมเนี่ยนะแต่พวกเราก็หายห่วงเลยนะเพราะตอนนั้นพระองค์ดูแล้วว่าไม่เห็นไม่มีวิแวรอไปเธอเนี่ยนะชาตินี้ก็ดูทาท่าจะเป็นยังไงบ้างนะ อ้างพระไตรปิดกยากเกินไปอย่างนั้นนย่ี้กระทางี้อีกนานะ่ะเชียวเหรอเนี่ยนะไม่มีวี่แววเลยว่าจะให้เปิดโอกาสให้พระพุทธเจ้าโปรดตัวเองได้เหมนนะก็ดูว่าจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยนะเพราะพระพระไตรปิดกไม่ตามให้เราอ่านอยู่แนละ้วพระไตรปิดกลอยเนี่ยดูจะจงดูจงดูจง ด, จงดูแบบนี้ไม่มีอีกแล้วมันก็สุดแท้แต่ว่าบุญบาปเตอะคับเนี่ยนะนี่ดวงตาอันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือพระองค์มีพระสมณตจักษุเนี่ยนะ มีดวงตาที่เรียกว่าดวงตารอบสมันตะจักสุอันนี้เป็นชื่อของพระสัพพัญยุตยานพระสัพพัญยุตยานของพระองค์เรียกว่าสมันตะจักสุพระองค์เนี่ยเป็นผู้ถึงพร้อมเข้ามามาพร้อมถึงพร้อมด้วยพระสัพพัญยุตยานผลสัพพัญยุตยานเนี่ยนะอันนี้แหละที่ทําให้พระองค์เนี่ยตรัสรู้สัตว์พระยาธธรรมทั้งปวงเนี่ยนะสิ่งใดที่เรียกว่าสับพระยธรรมเนี่ยนะสิ่งที่ควรรู้มีปริมาณเท่าไใดพระองค์รู้ทั้งหมด วัตสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสังคตะหรืออสังคตะเนี่ยนะพระองค์ก็รอบรู้สิ่งทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมัญตะจักษุมีดวงตาโดยรอบและสามารถที่จะเอามาบอกมากล่าวบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยนะถ้าหากว่าไม่มีบุญอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีบุญระดับสมัญตะจักษุเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่รู้จะเริ่มต้นบอกอยังไงเลยเนี่ยนะไม่เชื่อลองไปต่างประเทศดู ถ้าจำสมมุติว่าจำพยัญชนะอักขระอะไรของพระพุทธเจ้าไม่ได้สักคำเดียวเนี่ยนะแล้วเราจะบอกให้เขาเจริญกุศลธรรมเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยจับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยกับความเป็นอยู่ของเขาไม่รู้จะบอกอะไรขึ้นมาก่อนบอกกุศลอกุศลบอกสิ่งที่มีโทษบอกสิ่งที่ไม่มีโทษบอกเหตุบอกผลมันดูท่าเลยมันทำไมมันไร้วี่แววอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นขึ้นตรงไหนเลยบ่างั้นเถะแต่ทีนี้พระองค์เนี่ยนะในท่ามกลางที่โลกมืดมิดเต็มไปด้วย หุมห่อด้วยวิชาเนี่ยนะนั่นนะเไม่เชื่อนะเราถ้าเราไปอินเดียเนี่ยถ้ามีลูกแขกมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยเขามีบอกโอ้เนี่ยจะมีคนแขกเนี่ยเข้ามาบวชประมาณห้าร้อยคนเนี่ยนะขอเรียอะไรผราไตรจีวรเป็นต้นเนี่ยนะกําลังนึกถึงว่า เ, เราจะไปสอนเข้าอะไรเนี่ยนั่นนะจะสอนว่าอย่างไรเพราะพระไตรปิดกไม่มีเป็นภาษาแขกแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนั่นนะ ไม่มีพระไตรปิฎกภาษาภาษาเขาแล้วเนี่ยนะแล้วก็ภาษาที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันก็คนละเรื่องพื้นฐานทางทิศฐี่ของเขาก็คนละอย่างเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มว่าจะเจริญขึ้นได้อย่างไรที่ประเทศประเทศประเทศพระพุทธเจ้าเลยเอ่ะ อย่างประเทศเนปาลเนี่ยเอ า, าศาสนาไปเผยแพร่ให้ชาวเนปาลเนี่ยรอบรู้ได้ยังไงเนี่ยนะชาวอังคาชาวมคตเนี่ยนะแถวรัฐรัฐเอาบริเวณพุทธคยาเ น, นี่แหละไปโปรดดูเถิดเนี่ยนะไม่เชื่อจะไปสงเคราะห์ว่าอย่างไงจะให้ไปเป็นเจ้าวาดวัดไทยนะัน่นนะจะทํำยังไงหมดปัญญาเลยว่างั้นนะบอกอย่าวาขนาดนั้นเลยใกล้ๆยังยากว่างั้น แต่ว่าพระองค์เนี่ยมีบุญมีปัญญาที่จะบอกจะเปิดเผยว่าเอออะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสนาอะไรเป็นอภิญญาเป็นมรรคเป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยนะคือคือเริ่มต้นได้อ่ะคือเริ่มต้นขึ้นต้นว่าจะคุยกับเขาตรงไหนประเด็นไหนบอกอะไรมันสามารถถึงจำแนกแจกแจงได้ถ้าไม่สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยไม่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยจริงๆ เพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นสัพพัญยุตยานเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสัพพัญญูรอบรู้ในสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะไยยธรรมทุกชนิดรู้หมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็รอบรู้ทั้งที่เป็นสังคตะอสังคตะเนี่ยนะแล้วก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน รอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้สิ่งที่ควรบอกควรกล่าวแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทำให้แจ้งเ น, นี่ยนะอะไรมีอุปการะมากอะไรไม่มีอุปการะเลยอะไรเป็นเหตุให้เสื่อมอะไรเป็นเหตุให้เจริญอะไรที่ทำให้เกิดขึ้นได้ยากอะไรที่จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะพระองค์ก็สามารถที่จะบอกที่จะสอนได้ทั้งหมด เพราะว่าบทธรรมอะไรๆที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทราบไม่มีเลยเนื่องจากพระองค์เนี่ยมีปัญญาพิจารณาไคร่ครวนสรรพสิ่งทั้งปวงเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้เฉพาะซึ่งบทธรรมทั้งปวงในยบทบทที่ควรรู้ควรเห็นควรพิจารณามีปริมาณเท่าใดพระองค์ก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์จึงเรียว่าสมรตจกักษุมีดวงตาที่มองเห็นแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นรอบเนี่ยนะ เห็นรอบก็คือคําว่ารอบแปลว่าไม่ใช่เห็นจากข้างหน้าอย่างเดียวหรือจากข้างซ้ายข้างขวาอย่างเดียวปร่งมองจากข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างเนี่ยนะเรียกว่ามองทุกมิติว่างั้นแต่ในสิ่งเราเดียวกันเนี่ยมองทุกมิติทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนะอย่างเช่นว่าเขาบอกวิธีผ่าอย่างสิระของเรามองจากด้านหน้ามองจากด้านหลังมองจากข้างซ้ายมองจากข้างขวามองแบบหันๆแบบแอะไรแบบซอยแบบค่อยๆซอยซอยอยเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นเหมือนกับแบบอะไรนะ ที่เป็นผักทานกับอาหารน่ะแตงกวาเนี่ยนะจะหัน่นหั่นซอยแบบแตงกวาหรือจะมองแบบตัดเค้กแบ่งเค้กหรือว่าจะมองแบบไหนก็คือมองมองออกทุกแ ง, ง่ทุก ม, มุมอ่ะนะสามารถที่จับจำแนกอ่ะนะอันนี้แบบพูดแบบทั่วๆไปชาวโลกเขาก็ทำกันอย่างนั้นอยู่แล้ว ทีนี้พระองค์ไม่ใช่แค่นั้นแล้วพระองค์จะเอามาเปรรูปวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้เป็นอัพยากตะนี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกฐานี้เศร้าหมองนี้ไม่เศร้าหมองนี้เป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองนี้เป็นทุกนี้เป็นสมุทัยนี้ถ้าจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้คือพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าพระองค์เป็น พระสัพพัญยูเนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีบุญสั่งสมมาเพียงพอที่จะตรัสรู้รอบรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งปวงเลยนะมันการที่พวกเราได้นับถือพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุผู้มีพระปัญญาอย่างนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราแล้วเนี่ยนะที่ที่เราได้สักการะเคารพนับถือบูชา นอบน้อมพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าบุคคลใดถ้ามีปัญญารอบรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะไม่นับถือพระองค์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์ก็ไม่มีรอก เพราะว่าสิ่งใดที่เลิศประเสริฐที่สุดจะมีสิ่งใดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าเหมือนแสงสว่างที่จะเสมอด้วยแสงอาทิตย์ไม่มีเนี่ยนะหรือเหมือนกับสิ่งใดที่เรียกว่ามีคุณค่าที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วมันในรัตนสูตรจึงกล่าวว่า รั์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประนีตในสวรรค์รั์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลย นะเพราะผู้ใดมีศรัทธาในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธคุณพระปุพพจริยาคุณก็เป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจพิจารณาพระสรีระคุณทั้งหลายของพระองค์ก็เป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจนอบน้อมพิจารณาในพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะมียหัรตะคุณเป็นต้นก็ยังความปราบปลื้มใจ ความปราบปลื้มใจของเขาที่มีในคูนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล่วงพ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตเป็นไปเพื่อบรรลุใหญธรรมเป็นไปเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเจริญเติบตัวด้วยศรัทธาในพระธรรมตรัยตลอดไปขอศรัทธาเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกัน วันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้